บทที่สามสิบเจ็ดกลับมาตายรังเด็กๆไปโรงเรียนกันแล้วคุณสายใจจึงเข้าห้องพระสวดมนต์แผ่เมตตาปฏิบัติอย่างนี้ทุกวัน นับตั้งแต่ล้านชายแนะนำเมื่อสามเดือนก่อนเธอเพิ่งจะทำใจได้เรื่องที่สามีไปอยู่กินกับหญิงอื่นเมื่อก่อนนี้ยังตัดไม่ลงปรงไม่ตกก็เกิดความกัดกรุ้มเครียดแค้นชิงชังคุณเปี่ยกผู้สามีที่ทอดทิ้งไปตั้งแต่ลูกชายอายุได้เจ็ดขวบเจ็ปีที่ต้องอยู่กับความโศกเศร้าและทุกข์ทรมานสองเดือนแรก ของการปฏิบัติเธอแผ่เมตตาไม่ออกเพราะความแค้นที่มีมากเกินกว่าที่จะอโหสิกรรมให้เขาได้เมื่ออโหสิกรรมไม่ได้จึงทำให้แผ่เมตตาไม่ออกอาศัยที่หลานชายเอาใจใส่และติดตามผลอย่างใกล้ชิดจนเธอสามารถปฏิบัติตามได้เวลาผ่านไปอีกเดือนหนึ่งเธอก็หายขาดจากไข้ใจ ที่เป็นมานานถึงสิบปีคุณสายใจได้ประจักษ์แล้วว่าอำนาจแห่งพระพุทธคุณนั้นแก้ทุกได้จริงและเห็นผลทันตายอย่างน่าอัศจรรย์บัดนี้จิตของเธอเป็นอิสระจากผู้ชายคนนั้นจะไม่ทุกทนหม่นหมองเพราะเขาอีกต่อไปเรือหางยาวแล่นมาจอดที่ท่าน้ำหน้าบ้านสามกระได บุรุษที่มากับเรือบอกกับคนขับรออยู่ก่อนตัวเขาเดินขึ้นมาบนบ้านเห็นหลวงทาลานั่งอ่านหนังสืออยู่จึงคลานเข้าไปกราบคุณพ่อครับผมมาขอขมาจะลองโทษทันประการใดก็สุดแล้วแต่คุณพ่อเถอะครับคุณหลวงมองลอดแว้นพลางถามขอขมาเรื่องอะไรเธอเป็นใคร ท่านจำบุตรเคยไม่ได้คุณพ่อจําผมไม่ได้หรือครับสามีแม่สายใจบุตรสาวของคุณพ่อไงครับล้วงทารามองบุรุษนั้นอย่างพินิจคุณเปี่ยมพายผอมลงไปมากหน้าดําคร้าหมองไร้ราสีช่างผิดกับตอนที่อยู่กับแม่สายใจลูกสาวของท่านราวกับเป็นคนละคนอ๋อ ไปยังไงมายังไงล่ะพ่อคุณคนเป็นพ่อตาทักทายเห็นสารรูปลูกเคยก็ให้นึกสงสารที่อยากจะต่อว่าตอขานจึงต้องงดผมไปอยู่บางกปิมาครับและลูกเมียเป็นอย่างไรบ้างมีลูกกี่คนล่ะท่านยังมีแก่ใจถามถึงภรรยาคนใหม่ของเขาเลิกกันแล้วครับ โชคดีที่ไม่มีลูกด้วยกันคุณเปี่ยมตอบเขาจะไม่บอกคุณหลวงดอกว่าที่ต้องเลิกกันเพราะหล่อนมีชู้เขาถูกสวมเขามานานจนกระทั่งจับได้คาหนังคาเขาเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาจึงประกาศขอแยกทางกับหล่อนทีแรกเขาก็ไม่คิดจะกลับมาหาคุณสายใจโดยรู้สึกละอายที่ทอดทิ้งเธอไป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 กตอนที่พ่อเปี่ยมทิ้งลูกสาวฉันไปไม่เห็นบอกให้ฉันช่วยพูดพอจะมาคืนดีกลับจะให้ช่วยฉันไม่เอาด้วยหรอกบอกตามตรงว่าฉันไม่ชอบคนขีดขลาดมีอะไรก็ไปพูดกันเองฉันไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผัวเมียคนอื่นไม่ใช่คนอื่นนะครับแม่สายใจเป็นบุตรสาวของท่าน เขาเปลี่ยนมาใช้แทนท่านแทนคุณพ่อนี่อย่ามาทำตีฟิปากหน่อยเลยพ่อคุณฉันก็โกรธเป็นเหมือนกันนะอุตสาหไม่โกรธที่ทิ้งลูกสาวฉันไปก็เป็นบุญเท่าไรแล้วแม่วาดมานี่สิท่านเรียกแม่บ้านแม่วาดเข้ามาคุกเข่าตรงหน้าท่านจึงออกคำสั่ง ช่วยไปบอกแม่สายใจมาที่นี่หน่อยมาเดี๋ยวนี้เลยฉันมีเรื่องสำคัญจะพูดกับเขาแม่วาดลุกออกไปและหลวงทาราจึงพูดกับอดีตบุตรเขยว่าเอาละพูดกันต่อหน้าฉันนี่แหละพูดเองนะฉันไม่ยุ่งโดยรอกขอบพระคุณครับคุณเปียมกล่าว นึกกระยิมใจว่าอย่างไรเสียคุณสายใจก็ต้องยอมคืนดีกับตนคุณสายใจกำลังทำอาหารอยู่ในครัวเมื่อแม่วาดเข้ามารายงานว่าคุณท่านเชิญไปพบเดี๋วนี้เจ้าค่ะมีเรื่องอะไรหรือแม่วาดทราบไหมไม่ทราบเจ้าค่ะอีฉันเห็นท่านนั่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกคุณคุณนหะน้า แต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนแม่วาดจำสามีคุณสายใจไม่ได้หรือว่าจะเป็นพวกขายของเร่คุณพ่ออาจจะให้ชั้นไปช่วยดูสินค้ากระมังคุณสายใจพูดพลางเดินไปหาบิดาไม่ลืมสั่งแม่วาดให้ช่วยทำอาหารต่อคุณพ่อมีอะไรจะให้ดิชั้นรับใช้หรือคะหล่อนถามบิดา คุณเปี่ยมมองดูภรยาเก็งเกรงคิดว่าเธอคงจะซุบผอมตรอมตรมหาก็ดูเธอมีความสุขหน้าตาอิ่มเอิบกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำเขาไม่รู้ว่าภรรยาเพิ่งจะพบกับความสุขเมื่อสองสามเดือนมานี้ดูสิใครมาหาคุณสายใจพิจารณาดูบุรุษร่างผอมใบหน้ามองครัมและอุทานออกมาว่า คุณเปียมหากเป็นเมื่อสามเดือนก่อนเธอคงโผลเข้าหาด้วยความดีใจแต่เมื่อเธอสามารถวางใจให้เป็นอุเบกขาได้ความรักความชังก็หมดไปมีแต่ความเมตตาปราณีเข้ามาแทนที่เมื่อเห็นสารรูปของคนที่ตนเคยรักไปยังไงมายัางไงคะทำไมถึงเปลี่ยนไปมากจนดิฉันจำแทบไม่ได้ คำพูดนั้นไม่มองบอกว่ายินดีหรือยินร้ายฉันเขามองคุณหลวงเหมือนจะให้ช่วยพูดหากท่านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มีอะไรจะให้ดิฉันช่วยเหลือก็บอกมาเถอคะค่ะหากไม่เหลือบาก่าแรงดิฉันยินดีช่วยคุณสายใจคิดว่าลูกหรือภรรยาใหม่ของเขา อาจป่วยแล้วไม่มีเงินรักษาจึงต้องมาขอความช่วยเหลือฉันเออฉันจะมาขอโทษแม่สายใจที่ที่ฉันที่คุณทอดทิ้งดิฉันไปถึงสิบปีคุณสายใจช่วยต่อให้ฉันผิดไปแล้วจากโปรดให้อภัยฉันด้วย อดีตภรยามองหน้าคนที่เคยเป็นสามีเห็นน้ำใสๆครอหน่วยตาทั้งสองเธอรู้สึกสมเพศจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าดิฉันยกโทษให้คุณนานแล้วอย่าได้กังวลเรื่องนั้นเลยและภรยาคุณไม่มาด้วยหรือมีลูกด้วยกันกี่คนคำถามนั้นเหมือนถามเพื่อน ไม่สอแววประชดประชันหรือหึงหวงแต่ประการใดฉันเลิกกับเขานานแล้วเราไม่มีลูกด้วยกันที่ต้องเลิกก็เพราะไม่มีลูกเท่านั้นเองหรือคะคุณสายใจอยากรู้เปล่าจ๊ะมีเรื่องร้ายแรงกว่านั้นฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกถ้าแม่สายใจต้องการทราบ ฉันก็จะเล่าให้ฟังถ้าเช่นนั้นก็อย่าลำบากเลยค่ะและที่มาที่นี่จะมาเยี่ยมลูกหรือคะฉันคือเมื่อแม่สายใจ ย, ยกโทษให้แล้วฉันก็คิดว่าจะมาขอคืนดีด้วยหากฉันจะกลับมาอยู่กับเธอและลูกจะขัดข้องไหมจ๊ะดิฉันไม่ขัดข้องคะ่ะ แต่บ้านนี้เป็นของคุณพ่อคุณแม่ดิฉันคุณก็ต้องขออนุญาตท่านก่อนคุณเปลี่ยงมองหน้าหลวงทาราคิดว่าท่านจะเอ่ยปากอนุญาตแต่ก็เปล่าคุณพ่อครับผมจะขอเข้ามาอยู่บ้านสามกระไดอีกครั้งคุณพ่อจะอนุญาตหรือเปล่าครับคนพูดรู้สึกอับยศอดสู ที่ต้องบากหน้ากลับมาขออาศัยอยู่นึกตำหนิตัวเองที่ก่อเรื่องเสื่อมเสียจนลูกเมียกลายเป็นคนมีปมได้ฉันน่าไม่ขัดข้องแต่ก็ควรขออนุญาตคุณหญิงเขาด้วยบอกเสยก่อนนะว่าครั้งนี้ฉันไม่โกรธไม่ถือโทษแต่ถ้าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกครั้งฉันจะไม่ยอมให้เธอมาเหยียบบ้านสามกระไดของฉันอีก คุณหลวงกำกับผมขอรับรอง ด, ด้วยเกียรติของลูกผู้ชายครับตกลงแม่สายใจจะยกโทษฉันแล้วใช่ไหมจ๊ะ <parasites. S 1> เขาถามภรรยาท่าทางไม่ยินดียินร้ายของเธอทำให้เขาเกรงใจดิฉันบอกแล้วว่ายังไงคะว่ายกโทษให้คุณนานแล้วแต่กระนั้นดิฉันก็ขอบอกก่อนนะคะว่า จะไม่อนุญาตให้อยู่ร่วมบ้านกันฉั้นสามีภรรยาจึงขอให้คุณไปอยู่ห้องเดียวกับพ่อประพ์ดิฉันยินดีพอใจกับความเป็นอิสระเสียแล้วค่ะอย่าหาว่าดิฉันเล่นตัวหรือเรื่องมากเลยนะคะขอให้เราอยู่ด้วยกันอย่างเพื่อนอย่างพี่น้องเพราะถึงอย่างไรคุณก็เป็นบิดาของพ่อประพ์ ได้ยินถ้อยคำของภรรยาคุณเปียมรู้สึกผิดหวังคำพูดนั้นบ่งบอกว่าเธอหมดความรักความรักใกล้ใหญ่ดีในตัวเขาแล้วนี่เขาต้องสูญเสียทั้งภรรยาใหม่และภรรยาเก่าเชียอรึใบหน้าที่หมองคร้ำซีดเสียวนั้นกลับซีดหนักเขา้าไปอีกล้วนทารารู้สึกสงสารจึงพูดขึ้นว่าแม่สายใจ การเป็นคนเจ้าทิฏฐิทำให้ชีวิตไม่มีความสุขนะลูกนะคุณแม่ของลูกเขายังไม่มีทิฏฐิกับพ่อคุณใส่ใจชี้แจงว่าดิฉันไม่ได้ทิฏฐิค่าคุณพ่อดิฉันเพียงแต่พูดไปตามความรู้สึกดิฉันไม่โกรธคุณเปียกเพียงแต่ไม่ต้องการกลับมาใช้ชีวิตคู่อีกดิฉันกาลังเพลิดเพลินกับความเป็นอิสระค่ะ เมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้แต่เมื่อพ่อเจริญเขาช่วยแนะนำดิฉันก็พบความสุขอีกครั้งใครครับคุณพ่อพ่อเจริญที่แม่สายใจพูดถึงความหึงหวงแล่นเข้าสู่จิตใจของบุรุษวัยห้าสิผู้ชายที่ชื่อเจริญคงจะชอบพอกับคุณสายใจเหตุนี้เล่าเธอจึงหมังเหมินไม่ยินดียินร้าย กับการกลับมาของเขาลูกชายพ่อพองไงละ่ะอายุไล่เลี่ยกกับพ่อประพจน์ตั้งแต่พ่อเจริญเข้ามาอยู่บ้านนี้แม่สายใจกับพ่อประพจน์ดูมีความสุขขึ้นมากแทนที่จะนึกขอบใจที่หนุ่มน้อยทำให้ลูกและเมียมีความสุขคุนเปี่ยมกับคิดริษยาหลานชายคุณสายใจ คุณแม่ท่านยอมให้พ่อพองเอาลูกมาฝากหรือครับเด็กบ้านนอกคอกนาจะมาอยู่กับท่านได้ยังไงพูดด้วยจิตฤิษยาคุณเปี่ยมอย่าพูดถึงน้องชายและหลานชายดิฉันอย่างนั้นสิคะเขามีความสําคัญต่อแม่สายใจมากมายนักหรือถึงได้ห้ามไม่ให้ฉันพูดถึงคนผ่านพูดอย่างพันพานใช่ค่ะเขามีความสําคัญต่อดิฉันมาก และดิฉันก็รักเขาเท่าๆกับพ่อประพน์ของดิฉันหลวงทาลาพอจะเดาใจบุตรเคยออกว่ามีจิตริษยาหลานของภรยาจึงพูดขึ้นว่าเรื่องของป้ากับหลานพ่อเปี่ยมอย่าไปเก็บมาเป็นอารมณ์เลยไปหาคุณหญิงดีกว่าโน่นคุมเด็กๆทำงานอยู่ในสวนโนนถ้าเช่นนั้นแม่สายใจจะไปกับฉันไหม ไปเป็นเพื่อนหน่อยสิเขาพยายามที่จะใกล้ชิดภรรยาอย่าเลยค่ะดิฉันต้องกลับไปทำอาหารในครัวอีกสักพักพวกเด็กๆก็คงจะพากันกลับมาจากรุงเรียนคุณเปลี่ยนไปคนเดียวเถอะอ๋ อ, อแล้วไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาด้วยหรือคะเธอถามเมื่อไม่เห็นกระเป๋าไหวบรรจุเสื้อผ้าของเขาเอามาจาก ฉันว่าจ้างเรือหางยาวมาจากสะพานพุทธเสื้อผ้าข้าวของยังอยู่ในเรือแม่สายใจลงไปช่วยฉันขนของหน่อยได้ไหมให้แม่วาดไปช่วยดีกว่าค่ะดิฉันจะไปเรียกมาให้ยังไม่ทันที่คุณเปี่ยมจะทัดทานคุณสายใจก็เดินเข้าครัวไปแล้วประเดี๋ยวหนึ่งแม่วาดก็เดินออกมายกมือไหว้ แม่อีฉันจำท่านไม่ได้จริงๆทั้งพรอมทั้งดำหมดสงาราศีคนมีหลายเมียคงจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเจ้าคะ่ะแม่บ้านพูดกระแนกกระแหน่คุณเปี่ยมรู้สึกโกรธหากก็พยายามระงับไว้ด้วยต้องการจะรู้อะไรบางอย่างจากหญิงผู้นี้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 การบ้านการเรือนก็เก่งทำกับข้าวก็ได้เย็บบายสีก็เป็นอ๋อคงจะเป็นกระเทยบุรุษวัยห้าสิบหาเรื่องไหาอีกจนได้เธอไม่ใช่กระเทยหรอกเจ้าค่ะคุณจเจริญเป็นชายอกสามสอมีความเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวหากใครได้เธอเป็นเป็นพ่อบ้านผู้หญิงคนนั้นคงโชคดีที่สุดในโลก อีฉันรับรองว่าเธอจะไม่ทาให้ลูกเมียต้องมีปมได้พอเธอแม่วาดฉันไม่อยากฟังจะช่วยยกของก็ตามมาเรือเขาจะได้ไปจอดรออยู่นานแล้วแม่วาดจึงลงไปช่วยขนของขึ้นจากเรือกำลังจะเดินไปยังห้องคุณสายใจคุณเปี่ยมก็ท่วงขึ้นว่าเอาไปไว้ที่ห้องคุณประพน์ ทำไมหรือเจ้าคะ อ, อ๋อคุณสายใจเธออาจจะยังเขินกระมังไม่ใช่หรอกแม่วาดฉันว่าพ่อเจริญนั้นคงจะยุ่หแย่แม่สายใจมากกว่าเมียฉันก็เลยกลับกลายเป็นคนละคนคราวนี้แม่วาดเหลืออดจริงๆจึงตอบโต้ว่าท่านมองคนในแง่ร้ายอย่างนี้นี่เล่าถึงได้หาความสุขไม่ได้คุณเจริญเธอเป็นคนมีจิตใจงดงาม ไม่เคยคิดอกุศลกับใครอิจฉนว่าท่านน่าจะขอบใจเธอด้วยซ้ำที่เธอทำให้คุณสายใจกับคุณประพฤษมีความสุขตอนที่ท่านทอดทิ้งเธอไปมันชักจะมากไปแล้วนะแม่วาด่อนเป็นบ่าวก็อยู่ส่วนบ่าวอย่าเสอเออมายุ่งเรื่องของเจ้านายหากไม่เชื่อฟังฉันจะให้แม่สายใจไล่ออกเชิญเลยเจ้าค่ะ เจอไล่ออกวันนี้พรุ่งนี้เลยอีฉันก็ไม่อยากจะอยู่รับใช้คนริษยาอย่างท่านหรอกอยากรู้เหมือนกันระหว่างบ่าวที่จงรักภักดีกับสามีจิตอกุศลคุณสายใจเธอจะเลือกข้างไหนคุณหญิงห่วงกลับจากสวนเดินมาได้ยินเข้าจึงถามอะไรกันจ้าแม่วาดโมโหกโกรธาเรื่องอะไร หรือว่าไปกินรังแตนมาจากไหนแม่บ้านสงบปากสงบคาลงคุณเปียมเข้าไปกราบคุณหญิงและพูดขึ้นว่าผมจะมาขออาศัยคุณแม่อยู่บ้านสามกระไดครับมาจากไหนล่ะเธอน่ะรู้ว่าเป็นญาติแม่วาดเขาไม่ใช่ญาติอีฉันหรอกเจ้าค่ะแม่บ้านตอบหากก็ไม่ยอมบอกว่าบุรุษผู้นี้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 หมดทุก์หมดโซกกันเสียทีคุณหญิงพูดอย่างโล่งอกนายแรมนำเรือหางยาวมาจอดหน้าบ้านสาวๆทั้งห้าคนวิ่งแข่งกันมาบนบ้านคุณเปี่ยมมองหาบุตรชายหากก็ไม่เห็นทราบจากคุณหญิงว่าบุรุษแปลกหน้าเป็นบิดาของคุณประพศห้าพี่น้องต่างพากันยกมือไหว้คุณหญิง ไม่เห็นหลานชายจึงถามอ้าวแล้วพ่อประพ์ไปเรีย น, นดนตรีไทยกับพ่อเจริญหรือถึงยังไม่ได้มาด้วยสองคนนั้นเขาไปเที่ยวงานวัดสเกตค่ะคุณยายเห็นว่าจะนอนค้างที่วัดด้วยฝากสายทานมากลาบเรียนคุณตาคุณยายค่ะเพื่อนคุณเจริญที่ชื่อคุณกันเชียงเขาเป็นคนชวน คนพูดรู้สึกร้อนวูบวาบที่ใบหน้าเมื่อเอ่ยนามคุณกันเชียงสายตาคมกริบของเขาที่จ้องมองมาทำให้รู้สึกร้อนๆหนาวๆพ่อประพน์ก็เลยไม่ได้พบพ่อเปี่ยมนะซิไม่รู้ว่าจะจำหน้าพ่อตัวเองได้หรือเปล่าคุณหญิงพูดไปเรื่อยๆหากคนที่มีแผลหัวใจกลับรู้สึก